ปดทุมมะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติพระปทุมมะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมาุมัติสีได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมะตามพระโคดผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบแม้เสียงของพระองค์ก็ไม่มีเสียงไรเสมอแม้สมาธิก็ไม่มีที่สุด พระยานอันประเสริฐนับไม่ถ้วนและแม้วีมุตก็ไม่มีอะไรเปรียบแม้ในคราวที่พระองค์ผู้มีเดชหาอะไรเปรียบเที่ยัไม่ได้ทรงประกาศพระธรรมจักรการบรรลุธรรมกําจัดความมืดใหญ่ได้มีสามครั้งในการบรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธทีระเจ้าทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณร้อยโกรธให้บรรลุในการบรรลุธรรมครั้งที่ 2, สองทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกรธให้บรรลุ และในคราวเมื่อพระปฐุมะพุทธเจ้าตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค์เทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระปฐุมะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมสาวกสามครั้งภิกษุประมาณหนึ่งแสโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งเมื่อกถินนทีวรเกิดขึ้นในสมัยกลางกถิน ภิกษุทั้งหลายช่วยคันเย็บจีวอนเพื่อประโยชน์แฝพระธรรมเสนาบดีครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นล้วนปราศจากมนทินได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากผู้ไม่พ่ายแพ้ประมาณสามแสนรูปมาประชุมกันสมัยต่อมาในคราวที่พระปทุมะพุทธเจ้าผู้องค์อากรนรชนทรงเข้าจำพรรษาในป่าใหญ่ครั้งนั้นภิกษุประมาณสองแสนรูปมาประชุมกัน สมัยนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นราชสีเป็นเจ้าแห่งฝูงเนื้อได้เห็นพระชินเจ้าซึ่งกําลังเจริญวิเวกกรรมอยู่ในป่าใหญ่ข้าพเจ้ากราบพระยุ ค, คลบาทด้วยศรีรษะกระทําประทักษิณพระองค์บรรเลยศีห์หน้าสามครั้งบํารุงพระชินเจ้าอยู่ตลอดเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วพระตถาคตเสด็จออกจากสมาบัตรอันประเสริฐทรงมีหะไทยดำริให้ภิกษุจํานวนหนึ่งโกธมาประชุมกัน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 จักเป็นพระอุปถาบรมรงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเทรีและพระอุบลวรรณเทรีผู้ไม่มีอาสะวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีประภา พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตะฆาบดีอุบาสกและหัตถะฆาบดีอุบาสกชาวเมืองอาวี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 ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาดศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอกพุทธทางกุล น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจกฆ่าแม่น้ำพลาท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองครวญอยู่หมื่นปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือนันทประสาทวสุประสาทและยะสุตระประสาทมีนางสนมคำนันสามหมืนสาพันนางล้วมประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าอุตรราพระราชโอรสพระนามว่ารัา ม, มะ พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือรถออกขนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าปทุมะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณนะพระอุทยานธนัญชาอันประเสริฐพระสารเถระและพระอุปสารเถระ เป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าวรณะเป็นพระอุปถาของพระปทุมมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระราธาเทรีและพระสุราธาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอ้อยช้างใหญ่สัพพิยะอุบาสกและอสมะอุบาสกเป็นอัครอุปถา รูจิอุบาสิกาและนันทรามาอุบาสิกาเป็นอัครโอปถายุกาพระมหามุนีทรงมีพระวรากายสูงห้าสิบแดศอกพระองค์มีพระรัศมีหาอะไรเสมอมิได้ซึ่งแผ่ซ่านออกทั่วทิศแสงดวงจันทร์แสงดวงอาทิตย์แสงรัตนะแสงไฟและแสงแก้วมณีจินดาแม้ทุกอย่างนั้นครั้นมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจ้าแล้วย่อมอันตรธานไป ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมูชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงช่วยเหล่าสัตว์ที่มียาแย่กล้าให้ตรัสสรู้ได้โดยไม่เหลือทรงพร่ำสอนชนที่เหลืออื่นๆแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์ทรงละทิ้งสังขารทั้งปวงเหมือนงูลอกคราบเก่า ดังรุกชาสลัดไปเก่าแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานเหมือนเปลวเพลิงดับไปพระปทุมะชินนะาศาสดาผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธปรินิพานที่ธรรมารามพระบรมสารีริกธาของพระองค์แผ่ไปอย่างกว้างขวางในานานาอรรยประเทศฉชนี้แลพระปทุมพุทธวงศที่แปดจบเกนารทพุทธวงศ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 ทรงลอยกิเลสทั้งปวงได้โดยไม่เหลือในที่นั้นเองทรงบรรลุพระโพธิญาณทั้งสิ้นและพระพุทธญาณส4ครั้นทรงบรรลุสัมโพธิญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งในการนั้นพระมหามุนีทรงกำราพยาณาผู้มีลำตัวเท่าเรือกโกลนขนาดใหญ่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 ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธคุณพร้อมด้วยเหตุสาวกผู้ปราศจากมนทินประมาณก้าวหมืนโกรมาประชุมกันในการที่เวโรจนะนากราชถวายทานแดพระาศาสดาสาวกของพระชินเจ้าประมาณ80ดสิบล้านมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเป็นชะเดินผู้มีตบะแก่กล้าสำเร็จอภิน ญ, ญาห้าเขอไปในอากาศได้แม้ครั้งนั้นเราก็ได้อังค่าพระศาสดาหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้พร้อมทั้งพระสงฆ์และบริวารชนให้อิ่มน้ำาด้วยข้าวและน้้ำแล้วได้บูชาด้วยไม้จันหอมครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่านาร ะ, ะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรเราว่า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 พระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตะเถระและพระอุปติสะเทระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าอานนท์จกเป็นพระอุปถาบบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเทรีและพระอุบลวนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบ ตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทพฤกจิตตาก้าพดีอุบาสกและหัตถะก้าพดีอุบาสกชาวเมืองอรารวีจกเป็น อ, อัครโอปถากนันทมานดาอุบาสกาและอุตราอุบาสกาจากเป็น อ, อัครโอปถายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้น จากมีพระชนมาอยู่ประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรดนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคนนั้นยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนอพุทธทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมั ก, การว่า ถ้าเราทั้งหลายจากพระศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูล น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพระท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปชั้นใดเราทั้งหมดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าพระพระจินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูล น, นี้ในอนาคตการ เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำใจให้ยินดีอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบาเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรงชื่อว่าทัญวดีประศัิย์พระนามว่าสุเทพเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าอโนมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองครวญอยู่เก้าพันปี มีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังเฮชิตะปราสาทวิชิตะปราสาทและอภิรามะปราสาทมีนางสนมกำนันสี่หมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิชิตะเสนาพระราชโอรสพระนามว่านันทุตระพระองค์ผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกผนวดเพื่อการเดินเท้า บำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่านารทะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรหมทูลาราตนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณพระอุทยานทนญชาอันประเสริฐพระพัฒสาลเถระและพระทิตามิตรเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าวาเสถะเป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระอุตราเทรีและพระภคุณีเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอ้อยช้างใหญ่อุครินทอุบาสกและวัสสอุบาสกเป็นอัครอุปถากอินทวรีอุบาสิกาและคันธีอุบาสิกาเป็นอัครอุปทายิกา พระมหามุนีทรงมีพระวรากายสูง88ศอกทรงงดงามดังทองคำที่ล้ำค่าทํเหมือนจักรวาลให้สว่างไสวพระองค์ทรงมีพระวรากายมีรัศมีวานหนึ่งพระรัศมีนั้นแผ่ซ่านไปทั่วทิศ ต, ติด ก, กันไปตลอดโยตหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืนทุกเมื่อที่ต้องการขณะนั้นในระยะโยตหนึ่งโดยรอบใครๆไม่ต้องจุดครบเพลิงหรือประทีป เพราะพระพุทธรัศมีแผ่ไปทั่วสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณเก้าหมืนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากศาสนาของพระองค์งดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนท้องฟ้างามวิจิต ด, ด้วยหมู่ดาวพระผู้องค์อากว่านรชนพระองค์นั้นทรงสร้างสะพานคือทำไว้อย่างมั่นคง สำหรับให้คนผู้ปฏิบัติที่เหลือเดินข้ามกระแสสังจารวัดแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานแม้พระพุทธเจ้าหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้พระองค์นั้นและพระขีณาสพผู้มีเดชหาอะไรเทียบไม่ได้เหล่านั้นทุกอย่างล้วนอันตรทานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านอพระนาระทะชินเจ้าผู้ประเสรศิฐเสด็จดับขันธปรินิพานที่สุทัศนนคร ระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่สุทัศนนคร น, นั้นสูงสี่ยชนชนี้แหละนารถพุทธวงศ์ที่ 9. ก้าจบ10ทธปทุมุตระพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมุตระพุทธเจ้าสมัยต่อจากพุทธเจ้าพระนามว่านารทะได้มีพระชิ น, นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ ไม่หวันไหวเปรียบด้วยสมุทรสาครก็กับที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนั้นมีมรนทั ก, กับกับที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์หมู่ชนผู้มีกุศลมากได้เกิดขึ้นในกลับนั้นในคราวที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปฐุมุตระทรงแสดงธรรมครั้งแรกเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกธได้บรรลุธรรมจากนั้นเมื่อพระองค์ทำฝนคือทำให้ตก ช่วยเหล่าสัตว์ให้อิ่มนำ้ำด้วยฝนคืออมะตะเทวดาและมนุษย์ประมาณ 37,000 โกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระมหาวีระเจ้าได้เสด็จเข้าไปหาพระเจ้าอนันทะผู้เป็นพระราชบิดาครั้นเข้าไปสำนักของพระราชบิดาแล้วได้ทรงลั่นอมะตะเพรีเมื่อพระพุทธเจ้าทรงลั่นอมะตะเพรีบันดาลสายฝนคือทาให้ตกลงเทวดาและมนุษย์ประมาณห้าล้านโกร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 ประทับอยู่ที่เวพาระบันพศสาวกประมาณ9 0้า0มืโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองเมื่อพระองค์เสด็จจากคามณิคมและแว่นแควนหลีกจาริไปสาวกประมาณ8 0ด0มืนโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นฉดินมีชื่อว่ารัิถกะได้ถวายผ้าพร้อมพัตหารแด่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางพระสงฆ์ทรงพยากรณ์เราว่าจากนี้ไปอีกแสนกับชิดินนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงขเบลภัทที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขรภิญญาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชะบาลนิโครธทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรันชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นจากสวยข้าวปลายหญาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีประโยชน์ยิ่งใหญ่จากทําประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอันสสัตประคพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายา พระบิดาจกมีพระนามว่าสุโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโปลิตเถระและพระอุปติสะเถระผู้ไม่มีอาจวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนจกเป็นพระอุปถากบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวนาเถรี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 พระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่พุทธทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมาตการว่า ถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ้าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราดพระชินเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการ เราได้ฟังพระตํารัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็อธิษฐานวัดให้ยิ่งขึ้นไปเราได้บําเพ็ญเพียรอย่างมั่นคงเพื่อบําเพ็ญบารมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปครั้งนั้นเดรัจีทั้งปวงถูกขจัดไปจึงพากันโทมนัสเสียใจใครๆก็ไม่บํารุงเดรัจฉีเหล่านั้นขับไล่พวกเขาไปจากแว่นแควน้นพวกเดรัจฉีประชุมกันในที่นั้นทั้งหมดเข้าไปจานัาของพระพุทธเจ้า กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีพระจักสุขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพระองค์เถิดพระองค์ผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทรงทาเดรถิีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในเบญจสินเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนานั้นหมดความอากูลว่างจากพวกเิรัี และมดงามด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ได้ววสีผู้คงที่กรุงชื่อว่าหงสจวดีประสัทพระนามว่าอาน์เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระพระองค์ทรงครองคราวาสอยู่เก้าพันปีมีประสาที่อุดมอยู่สามหลังคือนารีประสาสพาหณประสาสและยศวดีประสาส มีนางสนมคำนันสี่หมืนสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุราทัตตาพระราชโอรสพระนามว่าอุตระพระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกจากปราสาทไปพนวดทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นำวิเศษ ผูอันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณพระอุทยานมิทิลาอันประเสริฐพระเทวีละเทระและพระสุชาตาเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าสุมาณะเป็นพระอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระพระอมิตาเทรีและพระอสมาเทรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่จักรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นสนอมิตรอุบาสกและติสสะอุบาสกเป็นอัครอุปถากหัตถาอุบาสิกาและสุจิตตอุบาสิกาเป็นอัคระอปปถายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูงห8สศอกทรงงดงามดังทองคำที่ล้ำค่าทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการ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 ทรงตัดความสงสัยของชนทั้งปวงแล้วทรงรุ่งเรืองดับไปเหมือนกองไฟไม่มีเชื้อดับไปพระชินนพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเสด็จดับขันธปรินิพานที่นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่นันทารามนั้นสูงสิบสองโยชนีแ้แหละปทุมุตระพุทธวงศ์ที่สิบจบ 11. สิบอดสุเมธาพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระสุเมธาพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระได้มีพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมธาทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากทรงมีพระเดชดุรุ่งเรืองทรงประเสริฐสุดในบรรดาสัตว์โลกทั้งปวงทรงมีพระเนตรสุขใสมีพระพักชื่นบานมีพระวรกายสูงสงา ทรงสแสวงหาประโยคเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทรงเปลืองสัตว์เป็นจำนวนมากให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมทรงประกาศพระธรรมจากที่สุทัศนนครแม้ในการที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมได้มีการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพระชินเจ้าทรงทรมานยักชื่อว่า กุ่มภกันเทวดาและมนุษย์ประมาณ9ก้าหมโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองอีกเรื่องหนึ่งพระองค์ผู้มีพระย์นับไม่ได้ทรงประกาศอริยสัจสีเทวดาและมนุษย์ประมาณ8ปดห 0,000 ืนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่ส า, รร 4, า ม, ร ม, า 80, รรมร 3. พระจินเจ้าพระนามว่าสุมเมทะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมแห่งพระขีนาศพู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับ ผู้คงที่สามครั้งในการที่พระจินเจ้าเสด็จเข้าไปยังสุทัศนนครพระขีนาสกจํานวนร้อยโกรธมาประชุมกันอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพิกษุทั้งหลายกลางกรถินณเทวภูตตะบันโพธพระขีนาสกประมาณ90บโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองอีกเรื่องหนึ่งในการที่พระทศพลเสด็จจาริกไป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 แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงทำอนุโมทนาก็ทรงพยากรณ์เราว่าในสามหมื่นกับมานกนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัท์ที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพลินบำเพ็ญทุกรกริยาจะประทับนั่งที่โคนต้นอชะบาลานิโครธทรงรับข้าวป่าญาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา พระชินนาจ่าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปลายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วสเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จักทำประทักสินโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอนสัตถพฤผล์พระมารดาผู้กําเนิดพระชินนาจ่าพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดาจักมีพระนามว่าสุโธธนะ พระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตะเทระและพระอุปติจเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานน์จะเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบ ตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครส า, าวิกาต้นไม้เป็นที่จดสร้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัจฉ ร, ริพลึกจิตต้าบดีอุบาสกและหัตถะข้าบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจกเป็นอัครอุปถาคนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปถายึกาพระโคดมผู้มีพระยศพระองค์นั้น จากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณอนยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนอพูททางกูลสัตว์ทั้งหลายในมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมาจการว่า ถ้าเราทั้งหลายจกพราดศาสนาของพระโลกกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่อพุททางกูนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจกข้าแม่น้ำพราดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราดพระชินเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหน่อพุททางกูนี้ในอนาคตการ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 ถึงความสำเร็จอภิญยาแล้วได้ไปเกิดในโพรหมโลกกรุงชื่อว่าสุทสัศนะประสาทพระนามว่าสุทตะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุทาตาเป็นพระชนนีของพระทินเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวาอยู่เก้าพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุจันทประสาทรัญจนะประสาท และสิริวัฒนประสาทมีนางสนมกํานันสี่หมื่นดันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุมนาพระราชโอรสพระนามว่าปุณพะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิสีประการจึงทรงราชพานะผือช้างออกผนวดแล้วทรงบําเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าสุมเมทะ ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักที่พระอุทยานสุทัศนะอันประเสริฐพระสารนเถระและพระสัพพกามเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าสาคระเป็นพระอุปถากของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระรามาเถรีและพระสุรามาเถรี เป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นเสดาอุรุเวลาอุบาสกและยะสวาอุบาสกเป็นอัคราอุปถากยละโสธราอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอัคราอุปถายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูง88ศอกทรงเปล่งรัศมีสว่างสวายไปทั่วทิศ เหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระรัตนะของพระองค์แผ่ไปตลอดโยอดหนึ่งโดยรอบเหมือนแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิแผ่ไปยชดหนึ่งขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณเก้าหมืปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากศาสนาของพระองค์ครับข้างไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายล้วนแต่ผู้ได้วิชาสามอภิน ญ, ญาหกและพระ ผู้คงที่แม้ท่านทั้งหมดนั้นล้วนมียศนับไม่ถ้วนหลุดพ้นแล้วไม่มีอุปธิมีพระยศอันยิ่งใหญ่แสดงแสงสว่างแห่งยานแล้วนิพพานพระชินนะพุทธเจ้าผู้ประเส ร, ริฐพระนามว่าสุเมทะเสด็จดับขันธปรินิพานที่เมธารามพระบรมสารีริกธาของพระองค์แผ่ไปอย่างกว้างขวางในานานาอาระยะประเทศชนี้แล มเมทะพุทธวง์ที่สิอ็จบสิสองสุชาตะพุทธวง์ว่าด้วยพระประวัติของพระสุชาตะพุทธเจ้าในมันทกกลับนั่นแลได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะทรงเป็นผู้นำมีพระหุ่น ด, ดังคลางราชสีมีลำพระสงงามดุจลำคอโคอุสภะทรงมีพระคุณหาประมาณไม่ได้หาผู้กระทบกระทั่งได้ยาก พระองค์ไม่มีมนตถิ่นบริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์มีพระวรก า, ายงดงามดังดวงอาทิตย์มีพระรัศมีรุ่งเรืองงดงามทุกเมื่ออย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณอันประเสรศิฐอย่างสิ้นเชิงแล้วทรงประกาศพระธรรมจากที่ส ม, มังคละนะครเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกทรงแสดงพระธรรมอันประเสรศิฐในครั้นแสดงธรรมครั้งที่หนึ่ง ทเทวดาและมนุษย์จำนวนแปสิโกรธได้บรรลุธรรมในคราวที่พระสุชาติพุทธเจ้าผู้มีพระยศหาประมาณมิได้สเสด็จจำพรรษาในเทวโลกทเทวดาและมนุษย์จำนวนสามล้านเจดแสนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในคราวที่พระสุชาติพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนสเสด็จเข้าไปยังสำนักของพระพุทธบิดาทเทวดาและมนุษย์จำนวนหกล้านโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สาม พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีการประชุมแห่งพระขี่นาศพผู้ปราศจากมลทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งพระขี่นาศล้วนบรรลุอภิญยาและพระธรรมผู้ที่ยังไม่บรรลุในภพน้อยภพใหญ่ประมาณหกล้านรูปเหล่านั้นมาประชุมกันครั้งที่หนึ่ง ในการประชุมครั้งต่อมาในครัเมื่อพระชินเจ้าเสด็จลงจากดาวดืงสเทวโลกมีพระขีนาสกประมาณห้าล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระอัครสาวกพร้อมด้วยพระคีนาสกประมาณสี่แสนรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อง์อาจกว่านรชนสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพลานุภาพมาก เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เหาะไปแนวอากาศได้เรานั้นเห็นความอัศจรรย์น่าประหลาดใจได้เกิดขนพ่องสยองกล้าวในโลกจึงก็เป็นกราบพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเรามอบถวายราชสมบัติเป็นอันมากในทวีปทั้งสี่และรัตนเจดประการอันอุดมในพระพุทธเจ้าแล้วจึงบวชในสำนักของพระองค์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 จากทมประทักสินโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอสัต t พฤกพระมารดาผู้กําเนิดพระิเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีพระนามว่าสุโธทนะพระิเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกริตะเถระและพระอุปติสเถระผู้ไม่มีอาศวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดี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 เป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวาดอยู่เก้าพันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสิริประสาทอุปสิริประสาทและจันทประสาทมีนางสนมกำนันสองหมสาพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิรินันทา พระราชโอรสพระนามว่าอุปเสนพระทินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือม้าออกพนอดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เก้าเดินเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าสุชาตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่พระอุทยานสุมังคละอันประเสรศิฐ พระสุทัศนะเทระและพระสุเทวะเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่านารทะเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่พระนาคาเทรีและพระนาคสมานาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นไผ่ใหญ่ และต้นไม้นั้นลาต้นแข็งเป็นไผ่ตันมีใบแน่นหนาลาต้นตรงใหญ่หน้าดูหน้ารื่นรมใจต้นหนึ่งเจริญ ง, งอกงามแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปต้นไม้นั้นย่อมงามเหมือนกรมหางนกยุงที่ผูกไว้ดีแล้วไม้ไผ่นั้นไม่มีน้ามีช่องไม่ใหญ่มีกิ่งชิดไม่ห่างมีเงาทึบหน้ารื่นรมใจ สุทัตาอุบาสกและจิตตาอุบาสกเป็นอัครอุปถากสุภัตตาอุบาสิกาและปทุมมาอุบาสิกาเป็นอัคราอุปถายากาพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงห้ศอกประกอบด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการและทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวงทรงมีพระรัศมีไม่มีอะไรเสมอเหมือนสร้างออกไปโดยรอบไม่มีประมาณไม่มีอะไรเทียบเคียง หาอุปมามิได้ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณเก้าหมืนปีพระองค์โค้ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให่ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากครั้งนั้นศาสนางดงามไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนคลื่นในสาครและเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าศาสนาของพระองค์คับคั่งไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายล้วนแต่ผู้ได้วิชาสามอภิญญาหก และพระละผู้มั่นคงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหาผู้เสมอเหมือนมิได้และพระกุ่นเหล่านั้นก็หาอะไรเทียบเคียงมิได้ทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านา้อพระจินนะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสุชาตะเสด็จดับขันธปรินิพานที่เสลารามพระเจดีย์ของพระศาสดาที่เสลารามนั้น สูงถึงสามคาวุธชั้นนี้แหละสุชาตาพุทธวงศ์ที่สิบสองจบ